ในที่นี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก iPhone นะไม่ใช่ยี่ห้อรถนะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใครๆก็อยากมีกันตอนนี้ออกมารุ่นที่6แล้วเพิ่งออกมาแล้วก็เริ่มมีการวางขายแต่ไม่รู้เมืองไทยเขาขายกันหรือยังนะแต่ว่าในหลายประเทศเขาเริ่มมีการเปิดขายแล้วคนต้องการมากทีเดียวถึงกับยอมที่จะเข้าคิวนะ ไม่ใช่เข้คิวแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะมีบางคนเนี่ยเข้าคิวถึงสาสิบแปดชั่วโมงนะมันวันครึ่งทีเดียวนะกลางเต็นท์กันเลยเพราะว่าร้านที่เปิดนี่ก็เขาเปิดกันไม่กี่ร้านแต่คนต้องการนี่เป็นพันเป็นหมื่นนะในแต่ละเมืองแต่ละเมืองครนี้บางคนเนี่ยอยากได้มากแต่ไม่มีเวลา แล้วทํำยังไงนะก็เลยมีคนหัวใสนะรับจ้างต่อคิวเดี๋ยวนี้มีคนทำอาชีพนี้เยอะมากรับจ้างต่อคิวรับจ้างเข้าคิวให้แล้วก็บริการแบบนี้ก็มีทั่วไปนะเดี๋ยวนี้จะไปซื้อตัว๋วเที่ยวอุทยานที่มีชื่อเสียง ก็มีคนรับจ้างเข้าคิวให้หรือว่ารับจ้างเข้าคิวในโรงพยาบาลนะเนี่ยนี่ก็มีกันเยอะละเมืองไทยก็เริ่มมีละรับจ้างเข้าคิวประเภทว่าซายคิวนี่นะเขาเลิกกันแล้วนะเขาใช้วิธีการจ้างคนมาเข้าคิวบางแห่งนี่ก็เปิดเปิดบริษัทเลยนะเปิดบริษัทนะให้บริการเข้าคิว ก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยแกเปิดบริษัที่เป็นคนดำแกตกงานตอนหลังก็มารับจ้างเข้าคิว <Okay. S 1> ก็มารับเข้าคิวให้กับคนที่ต้องการซื้อ iPhone <c oughs> รุ่น6 iPhone เนี่ยที่อเมริกามันราคาประมาณ200ดอลลาร์ก็ประมาณ 6,000 เศษเศษ0 0 0เศษเศษนะไม่รู้พรมันทำไมมาถึงเมืองไทยมันเป็นหมื่นไปได้ แล้วก็มีคนหนึ่งรับจ้างเข้าคิวให้ชั่วโมงละสองดอลลาร์เอชั่วโมงละยี่สิบดอลลาร์ชั่วโมงยี่สิดอลลาร์ก็คือเกือบหนึ่งในสิบของราคาเครื่องถ้าหาว่าเข้าคิวสิบชั่วโมงก็เท่ากับราคาเครื่องเลยสองร้อยดอลลาร์แต่ปรากว่าเขาเนี่ยเข้าคิวนานถึงสาสิบแปดชั่วโมงนะ เพราะฉะนั้นราคาในการรับจ้างเข้าคิวนี่นะก็ประมาณเกือบเกือบ8 0 0ดอลลาร์ก็คือเจ็ดอดลลาร์นั่นแหละค่าเข้าคิวเนี่ยแปดรดอลลาร์นะเอาเป็นตัวเลขกลมๆแต่ว่าค่าเครื่องเนี่ยสองดอลลาร์ก็หมายความว่าค่าเข้าคิวเนี่ยนะมันสี่เท่าตัวของราคาเครื่อง ก็มีคนยอมจ่ายนะมีคนยอมจ่ายนะอันนี้ก็น่าแปลกนะเครื่องสองร้อยนะแต่จ่ายค่าเข้าคิวไปแปดร้อยนะมันมีคนไม่บ่นเลยเรวยอมนะยอมจ่ายแลวคนคนนี้เนี่ยแกก็ไปเข้าคิวหลายหลายหลายอย่างนะไปเข้าคิวซื้อพวกขนม มีร้านร้านหนึ่งในกรุงนิวยอร์กเนี่ยชื่อร้านเขาขายขนมโครนัทนะโครนัตก็คือครัวซองบวกโดนัทชิ้นละห้าดอลลาร์ร้านเนี่ยเขาขายให้สองชิ้นเท่านั้นนะไม่ขายให้เกินกว่านั้นขายแค่สองชิ้นเพราะคนต้องการมากก็ไปเข้าคิวกันตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงหกโมงก็เข้าคิวกันแล้วเขาก็คิดค่าเข้าคิวนะประมาณนี้แหละบอกว่า ซื้อมาได้นะสองชิ้นนะโดนเรียกเก็บค่าเข้าคิวไปหกสิบดอลลาร์ขนมสองชิ้นก็สิบดอลลาร์นะแต่ว่าเสียค cool. ่าเข้าคิวไปหกสิบดอลลาร์ก็คือหกเท่านะของราคาขนมก็ยังมีคนยอมจ่ายนะเขาจ่ายไปทําไมนะบางทีไม่ได้จ่ายไปกินนะไม่ได้ซื <bel> ้อไปกินนะซื้อไปอวดเพื่อนว่าเนี่ยฉันซื้อมาได้แล้วนะมีเพื่อน มาเยี่ยมมาเยี่ยมจากต่างประเทศก็เอามาโชว์ว่าเออนะฉันซื้อแล้วก็ามาต้อนรับเพื่อนด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องหน้าตาแล้วนะมันเป็นเรื่องหน้าตาเมื่อคนที่ยอมจ่ายเงิน800รอดอลลาร์เพื่อซื้อ iPhone 2 0รอดอลลาร์เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะมีเท่าไหร่นะคือไม่ได้มีความสุขกับการใช้นะแต่ว่าขอให้มีเถอะ เพียงแค่ฉันได้มีนี่ฉันก็ภูมิใจแล้วเพราะว่าไปอวดใครได้ว่าเนี่ยฉันมี iPhone S หรือ iPhone 6รุ่นใหม่นะพอซื้อได้ก็ถ่ายรูปขึ้น Facebook นะว่าฉันได้แล้วนะ iPhone รุ่นใหม่ iPhone 6นะอันนี้มันเป็นเรื่องของหน้าตาคนที่รับจ้างรับจ้าง ต่อคิวนี่เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีคนแบบนี้เยอะมากคือพวกกลัวตกกระแสเป็นอาการชนิดนึงนะของคนสมัยใหม่กลัวตกกระแสคือถ้ามีของใหม่เนี่ยฉันจะต้องได้เป็นคนแรกนะถ้าได้ทีหลังนี่ไม่ไม่เอาแล้มันก็น่าแปลกนะบางคนก็อุตส่าห์เข้าคิวเป็นห้ากเจ็ดชั่วโมง10บชั่วโมงหรือว่ายอมจ่ายเงินแพงๆเพื่อจะได้ไอโ o n e กมา แต่พอปีหน้านะไอโฟนโถงนี้เขาคงไม่อยากจะรับแล้วไม่อยากจะใช้แล้วล่ะหลายคนเนี่ยเพื่อปีที่แล้วนี่อดตะหลักอตอนนอนไปเข้าคิวเอา iPhone 5ตอนนี้อยากจะทิ้งแล้ว iPhone 5ไม่เอาแล้ะฉันเจะเอาไอโฟน6แล้วคนที่อยากจะได้ iPhone 6นะวันนี้นะอุตส่าหเสียเงินอุตส่าห์เสียเวลานะไปเข้าคิว พอได้มานะไม่กี่เดือนนะเดี๋ยวก็อยากจะทิ้งละเพราะว่า i ไอโฟน7มันมาแล้ะมันจะมาถ้าความสุขของคนสมัยนี้มันเป็นของชั่วคราวมากนะแล้วคนก็ไม่คิดนะว่าเออมันเป็นของประเดี๋ยวประดาววันนี้รักมากวันนี้หวงแหนมากแต่พรุ่งนี้ก็เมินละไม่สนใจ ล, ละถ้าคนเรานี่หันมาดูจิตดูใจงตัวเองแล้วสังเกตจิตใจงตัวเองนะโอ้วันนี้เราอยากได้มากเรื่องไอโฟน6ไม่ได้นี่ฉันนอนไม่หลับนะ แต่ว่าไม่กี่เดือนหลังจากนี้ไปพอได้มาแล้วก็ไม่อยากจะถือไม่อยากจะโชว์ใครละเพราะว่ามันตกรุ่นไปละเพราะว่าคนอื่นเขาใช้ไอโฟนเจกันเนื้อเชื่องคนที่กลัวตกกระแสนี่เป็นชีวิตแบบนี้แหละก็ ค, คือว่ามันไม่มีความสุขสักทีนะแล้วก็ชีวิตก็ขึ้นลงไปตามกระแสคนที่กลัวตกกระแสนี่เขาปล่อยชีวิตจิตใจให้ขึ้นลงไปตามกระแสจะมีความสุขได้อย่างไรนะ เดี๋ยนี้เนี่ยถ้าใครไม่มี iPhone ไม่มี iPad นี่รู้สึกทุกข์รู้สึกเสียหน้านะแต่มันแปลกนะเคยมีคนถามสตีฟจ็อบส์นะสตีฟจ็อบตอนที่เขาไม่ตายเนี่ยเขาตายมาเพิ่งครบสองปีนะหรือสามปีวันนี้เขาตายวันที่หกตุลารู้สึกจะปีห้าสี่มั้งนี่ก็สามปีพึ่งผ่านไปก็มีคนถามสตีฟจ็อบซึ่งเป็นคู่เป็น ผ, ผู้ผลิต iPad นะคนพบ iPad ว่านี่นักข่าวถามว่านี่ เด็กๆที่บ้านคุณนี่คงจะใช้ iPad กันคล่องเลยนะสตีฟเจ้าบอกว่าเปล่าเลยนะที่บ้านผมเนี่ยผมห้ามใช้ห้ามลูกใช้ iPad <c oughs> คนที่โฆษณาให้ใครๆต่อใครใช้ iPad นะัแต่ในบ้านของตัวเองเนี่ยลูกเนี่ยไม่ได้ใช้ iPad ไม่มีสิทธิ์ใช้ด้วยนะลูกเขายังประมาณสัก10บขวบ11บขวบนักข่าวก็เลยถามว่านที่บ้านทำอะไรตอนเย็นๆน่ก็ นั่งคุยกันเวลากินข้าวก็มาคุยกันล้อมวงคุยกันเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องประวัติศาสตร์บ้างเรื่องชีวิตนะคุยเรื่องนี้แหละนะไม่ได้ใช้เวลากับการเล่น iPad ก็มีหลายคนนะที่เป็นพวกที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีมากนะบางคนก็เป็นคนที่ริเริ่มก่อสร้างทว i t เตอร์นะเขามีรูปนี้เขาก็ไม่ให้รูปใช้ คอมพิวเตอร์ในบ้านเลยนะหรือว่ากลางคืนเนี่ยไม่ให้มีคอมพิวเตอร์ไม่ให้เล่นคอมพิวเตอร์โดยเพราะในห้องนอนห้ามเด็กขาดถ้าจะมาใช้คอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้เวลาทำการบ้านเวลาทำรายงานนะแต่ว่าต่อนเน็ตไม่ไดนะ้บางบ้านนี่ถึงขนาดไม่มีโทรโทรัศน์เลยนะไม่มีโทรทัศน์ใช้ไม่ให้ลูกใช้เลยแต่พวกนี้นี่ก็เป็นพวกเก่งเทคโนโลยีมากแล้วก็ โฆษณาให้ใครต่อใครนะใช้เทคโนโลยีกลัวตกรุ่นกลัวตกกระแสนะแต่ลูกๆหรือคนในบ้านนี้เขาเข้มงวดมากเรื่องการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone, สมาร์ทโฟนนะหรือว่าแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตนะอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะสำหรับคนที่มีลูกเนี่ยนะพวกนี้เขาเห็นเห็นโทษของเทคโนโลยีนะว่ามันเนี่ยทำให้เด็กๆนี่ เสียคนยังไงบ้างหรือว่าไม่มีวินัยอย่างไรบ้างนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะก็มีก็อยากใช้แล้วก็วิ่งตามกระแสไม่มีไม่ได้นะอันนี้ก็เลยทำให้อ่กลายเป็นท่าของเทคโนโลยีมากเป็นท่าของอินเทอร์เน็ตเป็นท่าของไลน Facebook, WhatsApp, นี่เยอะกันมากนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ น, นะอะ่แล้วก็ยังไม่เสร็จนะ เรื่องเรื่องการติดเทคโนโลยีเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้นี่มันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่เป็นที่เป็นเครื่องคราที่เป็นฮาร์ดแวร์นะเช่นเป็นเครื่องยนต์กลไกอย่างโทรศัพท์นะหรือคอมพิวเตอร์นะแต่พวกซอฟต์แวร์เนี่ยคือโปรแกรมนี่ก็ติดกันมาก Facebook นี่ก็สําคัญนะต้องถ่ายรูปขึ้น Facebook ถ่ายรูปหน้าตัวเองขึ้น Facebook กินอะไรทําอะไรก็ต้องถ่ายเอาขึ้น Facebook เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเนี่ยฉันกินอะไรฉันหน้าตาอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่แค่ประกาศอย่างเดียวนะก็มีความคาดหวังด้วยว่าคนจะชมคนจะชอบใจกดไลค์นะถ้าไม่กดไ like, ล์นี่จะรู้สึกเป็นทุกข์มากโคตหูเป็นคนที่ซึมเศร้านะมีหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าไม่มีใครกดไลค์นะให้เลยนะ รู้สึกเสียเซลล์มากเลยจากคนที่ต้องการประกาศตัวตนประกาศอีโก้นี่พอไม่มีใครตอบสนองนี่รู้สึกแย่เด็กบางคนนี่ก็เป็นป่วยไปเลยนะแล้วยิ่งถ้ามีเกิดเพื่อนเนี่ยไม่เรียกว่าอันเฟรนหรือถอนจากความเป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อนด้วยนี่ฆ่าตัวตายเลยก็มีนะเพราะรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าแล้วมันเหมือนว่าไม่มี ไม่มีตัวตนในสายตาของใครเมื่อเมื่อไม่มีตัวตนในสายตาของใครก็ตายดีกว่าคนเราไม่ได้กลัวตายนะแต่กลัวไม่มีตัวตนในสายตาของคนอื่นมากกว่าอันนี้ก็เป็นโลกของการที่ยึดติดในตัวตนมากอ่าแล้วก็เตรียมรับพรนะ